แน่ที่ห้าคว่วจะติดเรณาอยู่เรื่อยๆแต่มันจะเป็นอัดเป็นพ้ำในเจรณาอย่เด้ใ น, ห น, นหน้าโตจากของนี่ในเนาโซจากของเขามีหูมีตาส่งไปถาลไปข้างนอกเดี่ส่งไปข้างนอกควมจิงตากระไดหูกระดนี่เขามีไว้ ให้นรับเป็เป็นปัะตูเป็นประสูเ ป, ปะสเป็นช่องแล้วรับว่ากันธรรมะอย่างเขามา้าเมื่อกิเขามาทางตาติเขามาทางหูแต่เมื่อิฎเขาไปใจใจเศรษฐีได้พิจารณาพิจารณาแล้วปฏิเสธลี้ยวสลาบหมู่จักริลงต่างๆตามพ่วมเป็นจริงย่างเข้าเฮี้ยนเข้าเฮี้ยนมากจากขั้นตังสอนของพระพุตธเจ้า ว่าเห็นจริงต่างๆเป็นตามข้อมเป็นสิงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่นี่ฉันเหี้ยนํานั่นจะเจอมันบอกมีแบบฟุ้หัดมันก็บริสุทุ์จะเือมันก็บอกเขาใจจะเจอบ่ดีจะเจื่าได้ประโยชน์ยังมันเหมือนีการอารมณ์เขามาทั้งตาแน่ทั้งหูแน่เละเขามาแล้วเพื่อสี่ให้มันมาเป็นแบบฟุ้งหัด ได็คิดใจเห่าเด็กทดล่องกันเด็กเดทดล่องเด็ที่เจอหน้าตรงมันแมนคือจังพ่วงพอคุยแต่เจ้าว่าบออันนี้มันเขามาทั้งตาก็ไดทั้งหูก็ได้มันเป็นอนจสังบอมันเป็นทุกขังมันเป็นอนุสาบอสอันเด็ตาหูเนี่ยเขามีเป็นฟองไว้ทั้งรับวัดจิงต่างๆเขามาเนี่ยมันเป็นธรรมะไอ้มันมาฝึกมาสอนใจห้อยมันเป็นธรรมะกัเด็ ห้าววะ่เออร์จัสันที่หา้าวใหญ่แท่นที่สีอู่ไน่มีทุบฟลึกทับฝนรับอารมณ์ที่เขามากใจคนขลาดตะโกนยุ้งยานี่ตาเห็นยังกัะใจไปายุ่หุ่นละนี่นะแค่น้อยเมืเ่อกัตเลนและทอนที่เมื่อกัตเลนว่าวุ้ยจบง่ามสวยง่ามมวนเป็นไปน้ำมันอันเนี้ยนี่ยจอมวะหาอ้องลงจิ แต่ทั้งตานี่ยละตาขึ้นกันนี่ละ่ะทั้งหูคือกันนี่ยละมวล้วนคือว่าไปเน้องขอหราใจให้ีงใจว่วมจริงนะที่อยู่ในี่มีนะใจอยู่ น, นี่มีเสียงมันมากแล้วมาเอามาเอามาทดสอบครับรักสูตรของพระพุทธเจ้าคืนว่าอนุจังทุกคั้งนักตามันเป็นได้หัวนอ่อมันเป็นที่เป็นคนบอกหัวนอ่อมันใจห้ารักษาไว้มีันเสียงเขามากเสมอ ยองกันยื้อได้นีนะเอ๊ะมันจะเป็นบุญมันจะเป็นอัดเป็นข้ามดนเรเด้มันบอกอย่างสั่นพี่เขา่าจะตาเลี้ยวเห็นอย่งหูดึยิห็นอย่างขลาดทะลุลดไปเกียดไปสร้างไปศูนไปหักไปรุ่มไปหลงไปหยาดไปวาดไปวันไปวาดวันวาดผัวไปแล้วนั่นบอกเพื่อจงบอกกูใจเจ้าแต่เรายิ่งเสียงเข้ามา ว ไ, ได้เห็นรูปแท่นพิชิตเตกแท่นพิชิตเน้ามันไล้ครับมาโอ้รูปมันมากกระทบจึงสี่มันเป็ น, อ น, นไอ้นี่แงทุกทางการศึกษาใดๆเอามาเสียมมาสอนใจเลยฟ้องมันไม่ได้ประโยชน์หลายเลยทันเฮ้ยเข้าคนตรงเด้อนี่มองนี่ละมองที่เอาเนี่ยไปที่หน้าอื่นเลยที่็นหน้าอื่น ไ, ไกนไลๆไม่ได้เลยไม่ได้เพิ่มไปเลย อย exactly. so ู่เมืองไท่ยังพอท่านแล้วยังพอท่นแจกใจเชิญดูเนี่ยมึงนอกมึงหน้าแล้วเจ้าหน้าก็ตายท่อนแล้วมีทีเหลือยังไงในที่นีาเจ้าของเนี่ยมันบ่มียังได้แท้ก็ให้ต้อมมึงว่าโอ้คนเจ็บไครเลยป่วยมันมีหลายคืนละตัวเนี่ยมีหลายคืนหลายคืนแล้วแต่กี่เขาเห็นแต่เขาเป็นเห็นแต่เขาป่วยเขาเจ็บเขาไข้นั่นป่วยนี่เป็นโรคนั้นโรคนี้เขาเห็นแต่เขาเห็นโอ้เขาก็เริ่มเป็นระบาดเนี่ย ซ่อมมึงได้อย่าตรงไปข้างอื่นไล่ใจเดียวก็เจอของหนงิทางนี้ดอกแน่วมาแน่วมาเข้าพิเด น, น้าเป็นปัดเป็นท่ำยังหน่อยจะพีหน้าใครหรตัว่าพิเนหน้าบอกโอ้เข้าตรงใจไปละไปเคียดโอ้ใจเข้าเขาวาหน้ามาตั้งโนงึลยบ่เป็นชาเลยนะ อารมณ์แค่นี้ยังบ่ได้เขาคิดว่ามันเข้าสนะวิแทรกแพ่แผ่อยังแผ่อารมณ์เขาคิดว่ามันจัตตูคือไกลตัวหุ้นแต่สยมตว่าเป็นไกลหรือไม่เข็ง น, นะเฮ้ยเขาคิดว่ามันไกลว่ามันตัวนั่นมันเป็นจัตตูไกลเนี่ยไปตีกันไกลไปตีกันเลยว่ามันตัวนั้นเป็นจัตตูเฮ้เขาเพลงจำไกลนี่แล้วการสนะโภชนะ อารมณ์บอสนากิเลสเจ้าของแต่ไปสนะข้างนอกแล้วมันสนานมันขึ้นเด็กหน่อยกับคืไก่อ่าโอ้ฉัเห็นัอได้เลยห้องอยู่ซื well ้อซือาันเร็นโอ้ปูนี่คล้ายกีเธอคล้ายกีหนาวไปหลายแล้วเนี่ยรักษาควบดีจางๆไว้บ่อะไรเนี่ยเขานังยูซือเขาปีเอเนหน้าเขาทรงใสใสๆมืนตาตัวโลก ทรงใจเวทให้เส้นอกเต้าบัดเนี้ ย, นนยกลับมาต้อนจดฟองเอี๋ยังต่างๆผมมากกับพรทรงใจเวละพายุนี้อาปากให้มันยองกันให้มันให้มันเป็นอนที่ช่งทุกขังอนัตตาอยู่หนึ่งใจญ่สบายให่สบายดอกเนี่ยโทษให้ยังต่างๆมัดภาวาสรรติพ่วงลมเย็นเกิดขึ้น เ, นเกิดหนึ่นีก้อน มันมันเปิดนี่แล้วไฟไฟแพรออกไปเมื่อกล่มเย็นไฟหอดมูหอดพวกยู่ไก่เนี่ยพน่าขึงอยู่จตกเครยแต่ตั้งแต่ห่อนเมื่อกล่อมไปลวกพูนด้วยกันกันเท่าเย็นหนี่ยนุงเมื่อก็เย็นออกแพหาหมูหาพวกหาพวกน้าประเทศสาบดานเรื่องเลยมันเย็นด้วยกันพันผู้ฮอนเมื่อกแดดออกไปไปถือยันไปย้ำกับใหม่ไปทั่วโลกน ยังแหวกออกไปถึงหลังค่าหน้าค้าวนเนี่ยแห้งไหม่ไว้อ่าไม่เหนด้แต่ติที่เตียนหน้าอะในหน้าในนีงรักษายอยู่านี้ทัทีิรักตาก็ได้